ทรงประชุมทรงบน ญ, ญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมทรงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกพิสูจน์ชาวพคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอเอาบาดบ้างจีวรบ้างของภิกษุทั้งหลายไปซ่อนจริงหรือพวกพิสูจน์ชาวพคีทูล ร, รับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงตําหนีว่าโมฆบุรุษทั้งหลายฉนั